มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวกักสติอภิชานนติปัญหาที่สิบเอ็ดถามว่า สติความระลึกจะมีแก่ท่านที่รู้ยิ่งพวกเดียวหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมีรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าสติที่ระลึกถึงข้าวของสารพัดทั้งปวงนี้จะมีแก่พวกพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่งพวกเดียวนี้หรือหรือว่าจะมีแก่พวกกุฎุมพี คือผู้ที่ต้องตักเตือนบ้างเป็นประการใดพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรสตินี้มีแก่คนที่รู้ยิ่งและคนที่เป็นกุดุมพีก็มีสติด้วยกันสิน้นพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าโยมนี้เห็นว่าคนที่รู้ยิ่งมีสติเห็นว่ากุดุมพีนั้นไม่มีสติ พระนาเเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าสติบังเกิดแต่ในสันดานท่านผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่งสติมิได้มีแก่คนเป็นกุดุมพีแล้วกิจที่จะเล่าเรียนศิลปศาสตร์วิชาการและพระกรรมฐานในสำนักท่านผู้รู้หลักนักป ร, รารต้องการอะไรครูบาอาจารย์ก็หาประโยชน์มิได้ นี่สติมีแก่กุดุมพีจึงต้องการครูบาอาจารย์ให้สั่งสอนเพื่อให้เกิดสติอัตมาจึงว่าคนที่เป็นอภิชาณชาติรู้หลักนักป ร, ราชนี้ก็ดีกูดุมพีก็ดีเป็นผู้มีสติด้วยแท้ขอถวายพระพรฝ่ายพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังเทระวาจาก็สิ้นสงสัย มีนามพระหาฤทัยโสมนัสตรัสว่าการโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในการบัดนี้สติอภิชานันติปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดในวรที่หกจบเท่านี้จบชัตววร